วิธีที่สี่ใครครวญหาเหตุผลข้อที่ว่าให้ใครครวรหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดและข้อที่ว่าให้กัดฟันเข้าด้วยกันให้แน่นเอาลิ้นกดเพดานไว้อย่างแรงเพื่อเปลี่ยนความคิดอันกำลังดำเนินอยู่นั้นสำหรับข้อหลังเป็นที่เข้าใจได้ง่ายชัดเจนอยู่แล้วจึงจะไม่อธิบายเพิ่มเติม จะอธิบายเฉพาะข้อตน้นคือให้มีความใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดการใคร้ครวญหาเหตุผลในเรื่องความคิดก็คือการใช้ความคิดใครครวญพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นอะไรทําให้คิดเช่นนั้นขณะที่ใจไปคิดหาเหตุผลเช่นนี้ความคิดเดิมอันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์กิเลสใดก็ตาม จะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามจะลดความแรงลงเมื่อความคิดนั้นลดความแรงลงผลอันเกิดจากความคิดนั้นก็จะลดความแรงลงด้วยเช่นโลภโกรธหลงที่กำลังเกิดจากความคิดจะลดระดับความแรงลงตามระดับความแรงของความคิดที่ลดลงเพราะอารมณ์โลภโกรธหลงเป็นผลความคิดเป็นเหตุ เหตุช่นใดย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดีเหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้ายฉันใดเหตุแรงย่อมก่อให้เกิดผลแรงเหตุเบาย่อมก่อให้เกิดผลเบาฉันนั้นการใครครวนพิจารณาหาเหตุผลของความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นในเรื่องที่ทำให้กำลังเกิดโทสะ ก็จะทำให้โทสะลดระดับความแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วจะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้ากำลังวิ่งช้าจะเปลี่ยนเป็นเดินกำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นหยุดยืนกำลังยืนจะเปลี่ยนเป็นนั่งและกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอนอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับกิริยาภายนอกเมื่อใช้ความใคร่ครวนพิจารณาเหตุผลเช่น เมื่อกำลังคิดว่ามีผู้ที่ไว้ใจเชื่อถือได้ว่าจะพูดความจริงมาเล่าให้ฟังว่านายขอพูดถึงตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นการว่าร้ายเป็นการตำหนิคิดไปอารมณ์ก็เกิดไปตามความคิดเป็นความไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นโทสะถ้าไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้คิดไปเช่นนั้นเรื่อยๆโทสะก็จะเกิดติดต่อกันไปเรื่อยๆ และก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยแต่ถ้าใช้ความใคร่ครวนพิจารณาเหตุผลแม้เพียงสั้นๆว่าคิดทำไมเท่านั้นความคิดที่แม้ว่ากำลังแรงก็จะเบาลงทันทีหรือกำลังเบาอยู่แล้วก็จะหยุดได้ทันทีก็เห็นจะเหมือนคนกำลังทำอะไรเพลินอยู่แล้วมีเสียงทักขัดขึ้นเช่นทักว่าทำอย่างนั้นทำไมมือที่กำลังทาอยู่ ก็จะชะ ง, งักได้ทันทีเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีใครมาทักเป็นการขัดจังหวะก็คงจะทำต่อไปจนกว่าจะชอบใจหยุดเองเมื่อไรความคิดก็ทำนองเดียวกันคือมีเวลาหยุดเพราะมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเหมือนการทำงานอย่างอื่นนั่นเองแต่ความคิดนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดชั่วก็ตามเมื่อคิดขึ้นแล้วจะไม่ลบหายไปจากจิตใจ จะฝังลงเป็นพื้นฐานของจิตใจความคิดดีก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีความคิดชั่วก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วคิดดีนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีมากคิดชั่วนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที Are ่ชั่วมากการพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องไว้เสมอเป็นสิ่งควรทำด้วยกันทุกคน เพื่อเป็นการไม่ใส่เชื้อให้แก่กองไฟไฟที่ได้การเพิ่มเชื้อและได้รับการพัดกระพืออยู่เสมอย่อมจะไม่ดับแต่จะใหญ่โตร้อนแรงยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟไม่พัดกระพือไว้เสมอไฟก็จะดับสิ้นไปเองหมดร้อนเยือกเย็นเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้องตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กล่าวขยายความถึงวิธีควบคุมความคิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสันฐานสูตรครบบริบูรณ์แล้วทั้ง5ข้อคือ 1. ให้เปลี่ยนความคิด 2. ให้พิจารณาโทษของความคิด 3. ให้เลิกคิด 4. ให้ใครครวญหาเหตุผลที่ทำไมจึงคิดและ 5. ให้กัดฟันใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่นทั้งหมดนี้ เพื่อควบคุมความคิดมิให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดโทษวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เป็นวิธีที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจะต้องให้ผลแต่ไม่ใช่ว่าพอจับปฏิบัติก็ให้ผลทันทีจําเป็นต้องอาศัยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติพอสมควรเช่นเดียวกับการทําอย่างอื่นเหมือนกันทําไม่เป็นก็ยังไม่เป็นผลต้องทําเป็นสัก่อน จึงจะเป็นผลดังนั้นการทำเสมอให้คุ้นเคยจึงเป็นความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดที่ถูกแล้วจะต้องควบคุมความคิดแม้ที่เล็กน้อยเพียงไรไม่ใช่ว่าจะควบคุมเฉพาะที่ใหญ่โตจนก่อทุกโทษที่มากมายเท่านั้นที่จริงการควบคุมความคิดเล็กๆกน้อยๆยนี่แหละสำคัญ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความคิดใหญ่ๆที่ไม่ถูกไม่ชอบได้หรือถึงเกิดก็จะสามารถควบคุมได้โดยอาศัยความชนานาญที่ฝึกฝนควบคุมความคิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนแล้วนั่นเองวันหนึ่งหนึ่งทุกคนมีเรื่องคิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรคิดมากมายหลายเรื่องถ้าจะหัดควบคุมความคิดกันอย่างจริงจัง ก็ต้องพยายามมีสติเปลี่ยนความคิดเช่นจากเรื่องที่เล็กน้อยนั้นเป็นต้นว่าพอเช้าขึ้นก็อาจจะคิดว่าไม่อยากไปทํางานเพราะไม่อยากเห็นหน้าในขอไม่ชอบไม่ถูกชะตาเมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นความคิดเล็กน้อยที่ไม่ดีเล็กน้อยและมีโทษเพียงเล็กน้อยคืออาจทําให้จิตใจขุ่นมัวเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าจะหัดควบคุมความคิดให้ได้ผลจริงๆต่อไปก็ต้องควบคุมความคิดเล็กน้อยดังกล่าวด้วยคือต้องเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นซะเช่นคิดถึงคนใดคนหนึ่งที่ชอบใจเสียแทนคิดถึงนายขอหรือไม่ก็บอกตัวเองว่าคิดถึงนายขอแล้วไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาร้อนใจเปล่าๆหรือไม่ก็สั่งตัวเองว่าอย่าคิดถึงนายขอคิดถึงเขาทําไม เมื่อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ย่อมจะทำให้สำเร็จง่ายกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงแล้วฝึกทำบ่อยๆความสามารถจะเกิดขึ้นเป็นกำลังสำคัญในจิตใจจนอาจควบคุมความคิดทั้งหมดของตนได้ให้เป็นไปในขอบเขตที่จะไม่ก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเองดังนั้นจึงควรมีสติมีความเพียร ดูความคิดของตนไวให้สม่ำเสมอทุกวันพบความคิดใดที่จะอาจเป็นโทษแม้แต่น้อยก็ให้ใช้วิธีควบคุมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้จะเลือกใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่จะเกิดผลจริงจังแก่ตน